ก็ได้แต่นอนเลยแล้วถ้าถามว่าเป็นอสังฆาริสังฆาริกตรงนี้ตอบว่าเป็นอสังฆาริกพ่อแม่ก็ไม่อยาก เกิดความหวังว่าจะมีผู้มาประนับดับความวุ่นวายได้ก็จึงเข้าไปมหากุศลโสมนัสยานกรรมยุตก็ได้เกิด เกิดทั้งมหากุศลแล้วก็เกิดทั้งมรรคกุศลเป็นที่นั้นอุเบกขาจึงตนเฉพาะ ญาณธรรมยุตนะที่เราเราพูดว่าอย่างถ้ากาลามีที่พยศเกิดญาณธรรมยุตในตอนที่ เรื่องหนึ่งอ้าวกว่าอีกเรื่องหนึ่งคือพื้นที่พระพุทธเจ้าได้เสวยพระมีฤทธิ์กรรมประหลาดอย่างหนึ่งที่เราเอามาเล่าเรียนซึ่งเนี่ย ทำไมไม่พูดเพราะเหตุใดจิตเป็นยังไงเราเห็นได้ชัดเลยว่า ท่านก็คือระลึกได้ว่าท่านเคยเป็นพระบดีและก็ได้เคยทําอย่างนี้ได้เคยไปสู่อบาสมา สํามาทิถคือเป็นความเห็นกร่ําแและบต้องซื้อว่าเป็นอา่าสังคาลึกด้วยลูเองเห็นเองเป็นเองไม่ได้มีไกลมากก่อร่อเป็น uูเบคา นะ กลัวก็ว่าอีกสักเรื่องนึงตะพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้เห็นเทวทูตเทวทูตกี่อย่างเทวทูต 5 ใช่มั้ยเทวทูต 5 5 4 พุทธเจ้าเห็นคนแก่เห็น ได้เทวทูตถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตอนเห็นเทวทูตนั้นเห็นแล้วก็ <c oughs> ซึ่งเป็นทวรเยวที่สุดท้ายเป็นยามในสมยุทธ์ฝ่ายฝ่ายโสมนัสโสมนัสก็ว่า <c oughs> ความสงสารเกิดความรู้สึกที่เป็นมหากุศลอุเบกขาแต่ท่านเมื่อเราปลบนะเนี่ยมหากุศลจิต 8 ดวงเอาเดี๋ยว ว่าถึง... ถึงก็อย่างที่เคยพูดถึงไม่เล่ามาก็อย่างที่เคยพูดถึงนางอุบลวรรณาเสรีถวายดอกบัว นางอุบลวรรณาเสรีวิ่งแล้วกลับคืนอีกใกล้กวดตามหลังพระไปคืนที่เนี่ยคิดว่าไงคิดว่าพระ ทีมเมื่อกลับคืนมาแล้วก็มาคิดใหม่ว่าเอ๊ะทําไมสมควรแก่สมณโภงแล้วทําไมท่านรับท่านท่านต้องมีเรื่องดีจะไปใช้วิ่งไล่ปวดนี้คงจะวิ่งไกลกว่าเก่าอีกหน่อยนะเอาไม่วางบนบาด <c oughs> แต่เป็นคนมีปัญญามาแต่ไหนแต่ไรการถวายทานนั้นเป็นมหากุศลและตอนที่ไปทําแล้วไปได้ <c oughs> คงไม่ดีใจว่าตัวเองทําอะไรผิดจากความเข้าใจผิดของตัวแล้วก็เป็นเป็นอสังฆาริกหรือสังฆาริกมันปนๆกันอยู่นะฮะไอ้ตอนมันก็ เนี่ยเราก็จะได้ไปดูจิตของเราครับเวลา เอาไปบูชาเพื่อนปัจเจกด้วยกันบูชาหรือบรรณารามของพระนี่ถ้าเป็นอย่าง พอยำดีกันมากเลยดูถูกกันมั่งใช่ไม่ยากแต่ว่าคนชั้นสูงสมมุติก็เราลองคิดดูคนที่เราเคารพเทิดทูนมากเนี่ยเราอยากจะให้กันเหยียบนั่นเหยียบยังยอมให้เหยียบเลยกอเหยียบพุ่นน่ะเราก็ถือเป็นมงคลนะงั้นดอกบัวดอกอะไรที่ไอ้ดอกไม้ที่เราไปเพาะปลอยใช้ใช้ ก็ต้องดอกไม้ใบโปรยที่เย็นนั่นคือสิ่งที่จะมาสต๊าตแต่เสาศีลมันทับลงไม่ได้ก็ได้ไม่ไม่ผิดศีลขอเล่าเรื่องเกิดตายสักเรื่องนึงมาเดี๋ยวทั้ง เรื่องที่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็เรื่องเหล่านี้เราจะได้ เพื่อผัดตอนลิยาบทตอนเย็นหลังจากที่สาธยานมนต์กันมาทั้ง เป็นบุคคลผู้ที่บุคคลผู้ที่ใครแต่ใครก็ยอมรับกันว่าเป็นคนที่จะเดือดฉะ คือของอาจารย์คนใดใครเข้าใจ ยังหาตัวอุปาทานไม่เจอแล้วไปบันไดไปทอดแล้ว 2 คนนั้นเลื่อมใสแล้วก็ได้บวชเป็นเนมและตอนหลังก็ ศรัทธาข้อว่าจะลงตักศีลได้เกิดดีใจเกิดสมณัสขึ้นพากันไปเฝ้าเมื่อได้เนี่ยต้องเป็นอสังฆลิกแน่นะ <c oughs> มีบารมีแก่กล้ามาตัดมาแต่เดิมนะมาแต่เดิมแล้วก็มีพระสูตรอยู่สูตรที่ผมเคยเอ่ยถึงอย่างตอนท้ายของมูลปริยาญาณ เป็นเรื่องยากเรื่องสูงเราอ่านแล้วก็ต้องอ่านแล้ว ภิกษุทั้งหลายไม่ยินดีไม่สมมนัสในภาษิตของพระผู้มี นี่ดีว่าพระไม่ได้พูดแต่ว่าเป็นที่รู้กันโดยบรรยายโดยพระอานนท์ผู้ว่าถ้าพูดฟังเรื่องข้างโหมเอพระพุทธเจ้าบางทียังทําไมผมหมดล่ะผม ที่คนฟังเราก็นึกเออเราก็บางครั้งก็ฟังไม่เป็นเรื่องได้ เมื่อไม่เป็นไม่เกิดญาณนุปยุตในเป็นญาณนุปยุตแล้วก็เป็นเป็นเวทนาอะไรอุเบกขาถึงไม่ได้เกิดที่ๆไม่ได้เกิดเวทนาจึงเป็นอุเบกขานี่เป็นหรือประสังอาจจะเป็นอสังขาร อสังฆะหมายถึงว่ามีความตั้งใจดีก็บางทีเราเนี่ยครับฟังไม่เข้าใจแต่ลองเป็นอสังนะแต่เล่นไปคิดแล้วสิปลาแข้งงูและปลาแข้งงูอีกโคนปูกูโอ๊ยเหนื่อยๆแล้วหน่อยก็เป็นอสังฆาริกเป็นเข้มแข็งมาก มันจึงต้องไขช่วงว่ายิ่งไม่เข้าใจยิ่งต้องต้องพยายามเพิ่มอสังขาริกมากๆเข้าไว้มันจะได้พอจะเป็นสื่อให้เกิดปัญญาได้บ้างเอาล่ะเป็นนั้นว่าผมได้เล่าเป็นเช่นนั้นเป็นอสังเป็นอสังขาริกที่เกิดความรู้สึกที่ไม่สิ้น เพียงแต่ว่ามีอะไรมาปัดพระนิดเดียวเท่านั้นเองเมื่อยามพระที่เห็นพระก็เลยมาชวนมาเกลี้ยกล่อมมาช่วยรักษากันทีไปเป็นพุทธเจ้ามาช่วยโกรธกันเพราะฉะนั้นพระ ความโน้มเอียงมีมากอยู่แล้วเราคลิกไปดูเหตุเกิดกุศลผมขอเลือกพูดญาณสัมปยุตต์กันในหน้า 2 นะพูด เมื่อเกิดมากุศลขึ้นแล้วมักจะเป็นญาณลัมมยุตตะ เกี่ยวกับกรรมเก่าที่ผมเคยบอกว่ากรรมเก่าที่เราทําสมมุติว่าเรา กรรมที่สองส่วนทํานี้เวลาให้ปัญญา 2 ส่วนผมพูด ด้วยคือถ้ามันมาคู่กันเนี่ยคน ความรู้ต่างๆได้โดยสะดวกได้โดยง่ายแม้บางทีก็เกิดขึ้นโดยเช่นเรื่องอภิธรรมนี่ คนที่ชอบทรัพีธรรมเนี่ยสังเกตได้อย่างหนึ่งมักจะเป็นพวกปัญญาแล้วก็ฟังแล้วรับได้แต่บางคนชอบน่ะเค้าก็บอกตรงๆเลยว่าฟังแล้วก็เลยต้องของของ วิทยา ทําlavิ ทําดีโอเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่อง ไม่คิดคิดดูก็แปลกเราจะคิดอย่างว่าดูก็น่าเสียดายคิดดูก็น่าน้อยใจเหมือนกันนะครับเราจะไม่รู้ๆเนี่ยน่า หลายๆคนได้หลุดเข้ามาสู่วงโกจรคือเรียกว่ารับก็พึงพอใจได้ชีวิตก็ปล้นเปียนกระแสจิต ก็ส่วนใหญ่อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าเราเออฟังเรื่องอะไรจิตติดเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องอารมณ์บางคนได้ ถ้าคนที่สะสมเป็นนิสัยไว้เนี่ยมีอัตยาศัยนะนี้ถ้าใหม่ก็อาจจะไปชอบเรื่องๆไปประเภทหนึ่งเชื่อคนหมู่มากด้วย เพราะฉะนั้นถ้าคนมีนิสัยเนี่ยแม้ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรฉัน ความภูมิใจในวิธีการทางปัญญาในธรรมะที่ จะต้องมีญาณสัมปยุตติปฏิสนธิด้วยถึงจะได้ได้มากได้น้อยก็แล้วแต่กำลังอันนี้ก็จะได้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็ปึงกันเรื่องที่ควรจะสะสมไว้อย่ากลัวสิ่งเหล่านี้จริงๆมันน่ากลัวนะจริงๆอ่ะแต่เรา <c oughs> พยายามฟังไว้ทีนี้ทีหน่อยจําไว้ทีหน่อยก็ไม่ต้องถึงกับไปท่องจําว่าปฏิสนธิด้วยกุศลกรรมที่ประกอบด้วยปัญญาก็หมายความ บุคคลนั้นที่ว่ามีวิบากฝ่ายปัญญาเนี่ย มิถ้าตรงกันข้ามเป็นคนที่ปฏิสนธิที่ที่ 2 เกิดขึ้นในโลกที่ ใช่มั้ยเอ่อคนโทสะจริตกับคนปัญญาจริตเนี่ยบางทีจะไปด้วยกันมันคล้ายๆกันตรงนี้น่ะอย่าไปนึกนะฮะว่าต้องแยกแค่ชิ้นให้ดีไม่บอกเนี่ยฉันปัญญาจริตให้มันลดไอ้โทสะเลยเดี๋ยวความโง่ว่าคนปัญญาจะต้องนะ <c oughs> แต่ที่ท่านพูดถึงปัญญา กระทෝ สาวว่ามันเหมือนต้องมาอยู่ในคน อันนี้จะเป็นเป็นที่ท่านพูดเพราะว่าหน่ายแหนงต่อความติดความๆปัญญารู้แล้วมันก็หน่ายแหนงต่อนะเป็นคนที่ชอบบาชอบอกุศลในคนมีทีนี้โกรธ ความหนายแหนงความสลัดออกของโสตกับของมัญญานกันได้มั้ยนะไม่ว่า อาการปรากฏโดยในตนังของบุคคลเนี่ยปรากฏว่าบางคนนั้นเป็นปัญญาจริตที่ไปเกิดรวมบวกบางคนนั้นปัญญาจริตเกิดรวมแน่ต่อ นะก็มันถึงก็มากมายไอทั้งหน้าว่ามองว่าของบุคคลบางจํานวนบางจําพวกนั้นมันนี่อย่างนี้ <c oughs> ทำไมระวังจะเกิดอย่างนี้เนี่ยเค้าถึงบอกว่าแหมแม้แต่ ต่อเพราะสาเหตุความถูศาสตร์ก็เลยเป็นว่าไอ้โทสะนี้ตัวนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังแล้วแรกๆเนี่ยพอเรารู้เรา พอไอ้เขาพูดไม่ถูกเนี่ยเขาพูดผิดแล้วบางทีว่าเอ๊ะตอน เข้าใจตัวเองแล้วเข้าใจคนอื่นถ้าเราพูดกับตัวเองในเรื่องเราพูดกับคนอื่นนะผมแล้วก็สบายใจกลับไปแล้วจะมาพูดไอ้ความเห็นขัดแย้งต่างๆนะผมพูด จึงก็เกิดเมตตาเกิดความเลยไม่ถือสาไม่ว่าการเกิดในโลกที่ ไอ้ลักษณะมันคล้ายกันจริงแต่โทสะกับปัญญาเมื่อมาเกิดกันใกล้ๆกันมันเป็นวิปปามันบังกันใครบังใครโทสะบังปัญญาใช่ไม่ใช่ขึ้นมาสิเลยครับตัดสินใจ เข้าใจผิดหมดเลยพูดยาผิดหมดเลยคนคนที่ดูแล้วเอ๊ะทําไมเค้าจะหลานพอง ออกปรบบายๆเรื่องจากๆกันเมื่อใครๆปัญญาเลยเกิดมากจะไม่เป็นอย่างนั้นมันทําลายปัญญามีมีพุทธพจน์ด้วยนะบอกว่าเนี่ยเป็นตัวทําลายปัญญา ที่มีกันปัญญาก็น้อยหรือในสังคมที่มีมีการเหียดเบียนกันมากมีพยามต์ต่อกันมาเนี่ยไอ้ดูง่าย เสียทั้งความสุขในชีวิตเสียทั้งเวลาอัปรถไปชนไปเกี่ยว 1 10 เสเสก่อนแล้ว 2 นี้ท่านจึงพูดถึงอำนาจ 3 ห่าง ตรงนี้นี้พาทํานึกถึงที่ผมได้เคยบอกมาบ่อยๆว่ากิเลสของเราเนี่ยมันเป็นตัวตัวโง่มันจะต้องเกิดกับความอ่าวิญญาณมันทําให้ ก่อนดูจิตก่อนว่าขณะนี้เราคิดด้วยกิเลสอะไรถ้าเรารู้สึกว่าไอ้ กลายเป็นประโยชน์ของกิเลสเป็นประโยชน์ของกิเลสความรู้ข้อมูลที่ศึกษามานั้นเป็นกระบวนการของความโง่ไปหมดแล้วเท่ากับกระบวนการนั้น ผมเข้าใจจะพูดกันที่จะอ้างว่าที่มันเห็นว่าการละกิเลสที่ ปัจจัยไปเข้ากระบวนการของอกุศลไปงั้นคนที่มีกิเลสเบาบางเนี่ยมันฉลาดโดยปริยาอยู่แล้วทําอะไรแล้วถูกหมดเพราะ อีกคนหนึ่งลุสยานินิดเดียวแสดงเนี่ยมันแยกเอาไอ้กิเลสกับกุศลที่เป็นตัว มีความอิสางถึงจะใช้เลขจากไอ้ไอ้ไอ้ตัวอํานาจและกิเลสนั้นและ 3 มัน ความชั่วเราห้ามเราหนีซึ่งอินทรีย์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเราต้องเอาไกลแล้วเราห่างความชั่วแล้วก็เข้าใกล้ แต่อันใดที่เป็นปัญญามันเป็นปัญญาเองด้วยก็บอกแล้วครับว่าอันใดที่เป็นปัญญามันเป็นปัญญาเองด้วยเป็น ก็ลัคนาที่จะปฏิบัติธรรมฟังธรรมวิริยะวิริยะดําเนินเหมือนอะไรวิริยะน่ะครับวิริยะ เป็นประโยชน์แก่ปัญญาไอ้บางทีเราไม่ได้มุ่งปัญญาโดยตรงแต่ว่า มันเกิดปัญญาแน่ชัดในเรื่องของของกรรมเนี่ยเชื่อๆในประสบการณ์อย่างที่เขาเขาพูดเขามีมาไอ้คนไม่ เขาก็บอกเลยก็เห็นไอ้มืออ่อนนี่หรอก็ไอ้เค้าเรียกนี้ไม่ไม่ได้หมายถึงความท้อแท้คือมือ <curios ities> คนผู้ใหญ่รักใครไปอยู่ที่ไหนคนรักเป็นเป็นลูกเลยมีหลายคนนะอย่างอาจารย์ของท่านท่านเป็นคนยกย่องครู แล้วก็ตัว